วันนี้เป็นวันพุทธที่เก้าสิงหาคมพุทธศักราชสอง6ันห้ากสเป็นวันพระวันธรรมสวัสวันฟังธรรมวันธรรมภา ร, รกิจที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้แก่ พุทธศาสนกชนให้กระทำกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเป็นภารกิจที่สำคัญที่ยิ่งใหญ่ว่าภารกิจทั้งปวงภารกิจต่างๆที่เราทำกันเป็นภารกิจที่เกี่ยวกับการดำรงชีพหาปะ หาหาอาหารหาที่อยู่อาศัยหาเครื่องนึง่งห่มหายารักษาโรคเลี้ยงปากเลี้ยงท้องให้ร่างกายอยู่ไปอย่างสุขสบายไปจนกว่าจะถึงวันสิ้นสุดของร่างกายแล้วภารกิจต่างๆเหล่านี้ก็ หมดประโยชน์ไปหามเงินหาทองหาอะไรมากมายเท่าไหร่ก็ตา่างก็เป็นประโยชน์ของร่างกายเพียงอย่างเดียวไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับจิตใจที่เป็นสิ่งที่ไม่ตายไปกับร่างกาย จิตใจเป็นสิ่งที่อยู่ไปตลอดแล้วจะอยู่อย่างไรก็ขึ้นอยู่กับผู้ที่เป็นเจ้าของก็คือใจที่จะรู้หน้าที่ของตนเองหรือไม่ว่าหน้าที่ที่แท้จริงของตนนั้น ไม่ได้อยู่ที่การเลี้ยงดูร่างกายแต่อยู่ที่การเลี้ยงดูจิตใจของตน<ม>การที่จะเลี้ยงดูจิตใจของตนได้อย่างถูกต้อง<ม>ก็ต้องมีคนอย่างพระพุทธเจ้าหรือพระอาหารหันตาสาวกของพระพุทธเจ้า <c oughs> มาทรงสอนมาสรงบอกวิธีเลี้ยงดูจิตใจ ให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขแ ข, วข้วคกรปลอดภัยปราศจากทุกภัยทั้งหลายทั้งปวง mm hmm. การเลี้ยงดูจิตใจ mm hmm. เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าการเลี้ยงดูร่างกาย mm hmm. เลี้ยงดูร่างกายดีอย่างไร หรือไม่ดีอย่างไรมันก็จบลงที่ความตายร่างกายนี้เป็นของชั่วคราวเกิดแล้วเดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายไปแต่ใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจเป็นผู้ใช้ร่างกาย เป็นเครื่องมือในการหาความสุขต่างๆแต่ความสุขที่ใจใช้ให้ร่างกายหามาให้ใจนั้นเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่ที่ชั่วคราวเป็นความสุขแบบควันไฟ ได้มาแล้วก็จางหายไปต้องหาอยู่เรื่อยๆไปจนวันตายถ้าช่วงไหนไม่สามารถที่จะหาความสุขผ่านทางร่างกายได้ช่วงนั้นใจก็ทุกข์ทรมาน <c oughs> <c oughs> เพราะว่า การหาความสุขผ่านทางร่างกายนี้ไม่ได้เป็นการหาความสุขแต่กลับเป็นการหาความทุกข์ให้กับใจโดยไม่รู้สึกตัวสิ่งที่ทำให้ใจนี้ไปหาความสุขทางร่างกายก็คืออวิชฌาโมหะ โมหะคือความหลงผิดเป็นชอบเห็นว่าความสุขทางร่างกายอืเป็นความสุขแต่แท้จริงแล้วเป็นความทุกข์เป็นความสุขที่เคลือบหรือหุ้มห่อความทุกข์เอาไว้ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวความสุขที่ไม่จีิรังฉาวร ความสุขที่ไม่ให้ความอิ่มความพอได้มาเท่าไหร่ไม่ช้าก็เร็วมันก็จะจางหายไปพอจางหายไปความทุกข์ก็เกิดขึ้นตามมามก็จำเป็นที่จะต้องไปหาความสุขมากลบความทุกข์ที่โผล่ขึ้นมาใหม่หามาได้เท่าไหร่ ก็กบไม่มิดมกบไม่หมดมความทุกข์ก็ยังมีอยู่เรื่อยๆ<ม>นี่คือโมหะความหลง<ม>ไปหลงหาความสุขที่เป็นความทุกข์<ม>อวิชชาคือความไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ไหน<ม>จะรู้ว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนได้<ม>ก็ต้องพบกับ คนที่รู้ความสุขที่แท้จริงว่าอยู่ที่ไหนคนที่รู้ความสุขที่แท้จริงก็คือพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นพระองค์แรกของสัตว์โลกเมื่อก่อนก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เป็นสัตว์โลกเหมือนพวกเราที่ไขว่คว้าหาความสุขผ่านทางร่างกาย แล้วก็ต้องเจอกับความทุกข์เนื่องจากความสุขที่ได้ผ่านทางร่างกายนั้นเป็นความสุขชั่วคราวจนทำให้พระองค์นี้เกิดความเบื่อหน่ายกับการหาความสุขแบบชั่วคราวนี้ก็เลยออกบวชเพื่อไปหาความสุขอีกแบบหนึ่ง ซึ่งทรงคิดว่าเป็นความสุขที่แท้จริงก็คือความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบในเบื้องต้นก็ทรงไปศึกษากับฤาษีนักบวชที่มีความเก่งกาจในการทำใจให้สงบด้วยการด้วยการเจริญสติด้วยการเข้าฌาน เข้าฌานต่างๆรูปฌปานและอรูปฌานเวลาที่ได้เข้าสู่ฌานใจก็จะมีความสุขขึ้นมาความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆก็สงบลงไปชั่วคราวแต่พอออกจากสมาธิมาออกจากฌานมาความทุกข์ความวุ่นวายใจ ก็ยังกลับมาอีกยังไม่หายไปอย่างถาวรพระองค์จึงต้องคน้นคว้าหาวิธีว่าทำอย่างไรให้ใจสงบให้มีความสุขเหมือนขณะที่อยู่ในรูปฌปานหรืออรูปฌปานทรงศึกษาจากท่า อ, อาจารย์ต่างๆ ก็ไม่มีภาออาจา ร, รูปใดรู้วิธีที่จะทำให้ใจนี้มีความสุขโดยที่ไม่ต้องเข้าในเข้าไปในรูปประฌานหรืออรูปประฌานก็งเลยส่งค้นควาหาเหตุว่าอะไรเป็นเหตุที่ทำให้ใจวุ่นวายทำให้ใจทุกข์ ก็ส่งค้นพบว่าเกิดจากกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆนี่เองเวลาเกิดความอยากขึ้นมาใจก็จะกระเพื่อมขึ้นมาใจก็จะเริ่มร้อนขึ้นมาเริ่มกวนกระวายกระสับกระส่ายกินไม่ได้นอนไม่หลับความอยากนี่เป็นเหมือนไฟที่จะทำให้ ใจนี้ร่อมร้อนหิวโหยอยู่ไม่เป็นสุขขณะที่เข้าไปในรูปประชานหรืออารูปประชาน<ม>กำลังของฌานนี้ก็กดความอยากต่างๆเอาไว้ชั่วคราวทำให้ใจนั้นเย็นใจนั้นสงบใจมีความสุขแต่กำลังของฌาน ที่กดความอยากต่างๆไว้ไม่สามารถที่จะทําลายความโลภความโกรธความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดได้ทำได้เพียงแต่กดเอาไว้เหมือนกับเอาหินมาทับหญ้าไว้เวลาเอาหินมาทับหญ้า หญ้าก็งอกงามขึ้นมาไม่ได้แต่เวลาที่ออกจากสมาธิเวลาเอาหินออกจากหญ้าเอาหินที่ทับหญ้าออกไปหญ้าก็จะกลับมาเจริญงอกงามต่อไปได้หลังจากที่ได้รับแดดรับน้ำหญ้าที่ถูกหินทับไว้ที่งอกเงยขึ้นมาไม่ได้ก็จะกลับงอกเงยขึ้นมาอีก พาราของหญ้านั้นไม่ได้ตายยังรอเวลาที่ให้มีน้ำมีแดดมาก็จะงอกงามขึ้นมาใหม่ได้ฉันใดกิเลสตัณหาก็เป็นเหมือนหญ้าที่เวลาเข้าสมาธิด้วยด้วยการเจริญสติดูลลมหายใจเข้าออกหรือบริกรรมพุโทโธพุธโทโธ สตินี้ก็จะทำให้ใจนิ่งสงบเป็นฌานเป็นฌานขึ้นมาเป็นรูปฌปานเป็นนวรูปฌปานขึ้นมาพอเป็นรูปฌปานหรือรูปฌานแล้วกิเลสตัณหาก็ไม่สามารถงอกงามออกมาได้ไม่สามารถทำหน้าที่ที่เคยทำได้เพราะกิเลสตัณหาจะทำหน้าที่ได้ต้องรอให้ ใจนี้ไม่นิ่งไม่สงบต้องให้เราให้ใจเริ่มมีความคิดปรุงแต่งถึงจะทำงานได้นี่คือการค้นคว้าหาความสุขที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าในเบื้องต้นก็ไปศึกษากับพระอาจารย์ต่างๆก็ได้เรียนรู้วิธีทำใจให้มีความสุข ด้วยการใช้สติควบคุมความคิดหยุดความคิดให้เข้าสู่รูปฌปานหรืออรูปฌปานพอใจได้เข้าสู่รูปฌปานอารูปฌานใจก็จะนิ่งสงบปราศจากความคิดปรุงแต่งพอไม่มีความคิดปรุงแต่งกิเลสตัณหาที่เป็นตัวสร้างความวุ่นวายสร้างความทุกข์ร้อนใจก็หยุดทำงาน พอกิเลตัณหาหยุดทำงานใจที่ร้อนก็กลายเป็นใจที่เย็นไปใจที่วุ่นวายก็กลายเป็นใจที่สงบไปแต่กําลังของสตินั้นไม่ไม่เป็นสิ่งที่ถาวรยั่งยืนควบคุมใจให้สงบได้ชั่วระยะหนึ่งสั้นบ้างยาวบ้าง อยู่กับกำลังของสติที่ได้เจริญมาว่ามีมากมีน้อยถ้ามีสติมากก็จะสงบได้นานถ้ามสีสติน้อยก็จะสงบได้ได้ไม่นานแต่ไม่ว่าจะนานหรือไม่นาน <c oughs> พอสติอ่อนกำลังลงชานที่กด เลสตัณหาไม่ให้ทํานานฌานที่หยุดความคิดก็อ่อนกําลังลงความคิดก็เริ่มคิดตรุงแต่งขึ้นมาออกจากสมาธิออกจากรูปประฌานออกจากอารูปประฌานมาก็เริ่มคิดตรงแต่งแล้วก็ไปรับไปสัมผัสรับรู้สิ่งต่างๆที่เข้ามาทางตาหูจมูก น, นิ้วกาย พอมีสิ่งเข้ามาสัมผัสมีความทิศตงแต่งเกี่ยวกับสิ่งที่ได้มาสัมผัสรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ก็จะเกิดตัณหาความอยากขึ้นมาอยากได้รูปนั้นอยากได้ยินเสียงนี้อยากได้ลิ้มรสลมกลิ่นเราเกิดความอยากขึ้นมาใจก็เริ่มร้อนขึ้นมาพอร้อนขึ้นมาถ้าไม่ไม่เคยฝึกสติไม่เคยเข้าสมาธิ ก็จะต้องไปกับความอยากที่เกิดที่ที่ถูกความหลงผักดันให้ไปหาความสุขผ่านทางร่างกายผ่านทางตาหูจมูกนิ้วแต่สําหรับผู้ที่ได้ฝึกสติได้เข้าสมาธิก็จะรู้ว่าต้องหยุดความอยากนี้ด้วยการหยุดความคิดก็จะ เพิ่มการเจริญสติให้เข้มข้นไม่ปล่อยให้ใจคิดถึงสิ่งต่างๆที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นออกจากสมาธิมาพอใจเริ่มเกิดความอยากขึ้นมาในยุคที่ไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสั้นมีวิธีเดียวก็คือการใช้สติระ ง, งับความคิดแล้วก็กลับเข้าไปในฌานใหม่ ก็คือพอใจออกมาสักพักหนึ่งใจเริ่มร้อนใจเริ่มหิวเริ่มอยากแล้วแทนที่จะไปทำตามความอยากก็ <S <S 1> <S 1> กลับเข้าไปในสสมาธิทแทนเพราะถ้าเป็นนักบวชก็ไม่สามารถไปหาความสุขแบบผู้คองเรือนได้หรือไม่สามารถไปหาความสุขผ่านทางตาหูจมูกนิ้นกายได้ ไปเสพรูปเสียงกลิน่นรสเหมือนกับผู้ที่ไม่ได้บวชคือผู้คลองเหลือนได้วิธีที่จะทําให้ใจของนักบวชมีความสุขในยุคนั้นก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิกันกลับเข้าไปในรูปประชาในอารมณ์ ป, ปัจนัยนั่นคือการวิธีการหาความสุขของนักบวชแต่เป็นความสุขที่ยังไม่จีรังถาวร ยังต้องคอยใช้สติคอยควบคุมความคิดหยุดความคิดไม่ให้คิดปุงแต่งไปตามความอยากต่างๆด้วยการหยุดความคิดด้วยการนั่งสมาธิเดินจงกรมแล้วก็ทำใจให้นิ่งให้สงบพอใจนิ่งสงบความสุขก็จะกลับคืนมามาเพราะความอยากได้ถูกอำนาจของสติ ของของฌานกดเอาไว้ไม่สามารถทำงานได้ใจก็นิ่งเย็นสงบมีความสุข <S S S นี่เป็นวิธีการของการหาความสุขผ่านการเข้าสมาธิเข้าสู่รูปฌปานเข้าสู่อารูปฌปานซึ่งเป็นความสุขแบบความสงบแบบชั่วคราวยังไม่ใช่เป็นความสงบแบบถาวร พระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้เรียนรู้วิวธีเข้ารูปฌานเข้ารูปฌานแล้วก็ยังไม่ทรงพอพระไทยยังเห็นว่ายังไม่สามารถกําจัดความทุกข์ต่างๆให้ออกจากใจไปให้หมดได้เวลาที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิอยา ก, กําจัดได้ระงับได้ก็ช่วงที่เข้าสมาธิท่านั้นแต่พอออกจากสมาธิมานี้ ไม่รู้จะทำยังไงเพราะไม่รู้ว่าตัวที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจนั้นคือความอยากแต่หลังจากที่พระองค์ได้ทรงพยายามทดลองวิธีดับความทุกข์ของใจด้วยวิธีการต่างๆลองผิดลองถูกถึงกับลองอดภากยอาหารถึงสี่สิบเก้าวันด้วยกันคิดว่าเมื่อออดอาหารแล้วความอยากมันก็จะ หายไปแต่มันก็ไม่หายเพราะความอยากมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายมันอยู่ในใจร <c oughs> ่างกายจะหมดแรงจะตายแล้วแต่ความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากอยู่ไปนานๆอยากจะหาความสุขผ่านทางตางหูจมูกนิ้วกายมันก็ไม่ได้ตายไปกับการอดทักยอาหาร ก็ทรงเห็นว่าถ้าอดต่อไปก็จะต้องตายอย่างแน่นอนคือร่างกายต้องตายแต่กิเลสตัญหาตัวที่สร้างความทุกข์ใจนี้มันจะไม่ตายไปกับร่างกาย<ม>ก็เลยทรงหยุดการอดตักกายอาหารกับมารับประทานอาหารตามปกติพอมีเลี่ยวมีแรงที่จะมาฝึกนั่งสมาธิได้ มานั่งสมาธิทำใจให้สงบมาเดินจงกรมแล้วก็มาหันมาพิจารณาทางปัญญาหาสาเหตุว่าความทุกข์ใจนั้นเกิดจากอะไร mm hmm. ความทุกข์ใจก็ทรงเห็นว่าเกิดจากความอยากที่จะหาความสุขผ่านทางร่างกายนี่ อ, อยากจะ <c oughs> อยากจะได้ลิ้มรสได้ดูได้ฟังอยากสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผดถภะชนิดต่างๆก็เลยต้องไปหาความสุขผ่านทางร่างกายกันแต่หาความสุขได้ชั่วคราวแล้วมันก็หมดไปแล้วความอยากใหม่ก็โผล่ขึ้นมาความทุกข์ก็โผล่ตามมาก็ต้องไปหาความสุขแบบเดิมอีก าเท่าไรก็ไม่เจอความทุกข์ความอยากก็ไม่หมดไปความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็ไม่หมดไปจึงทรงค้นหาวิธีว่าทำอย่างไรที่จะทำให้ความอยากนี้มันหมดไปได้ก็ทรงพิจารณาเห็นว่าสิ่งที่พระองค์สิ่งที่ความอยากนั้นต้องการคือรูปเสียงกลิ่นรสปฐพะและธรรมอารมณ์ เป็นสิ่งที่ <c oughs> เป็นทุกข์เป็นสิ่งที่ไม่เนืเที่ยงแท้แน่นอนเป็นของชั่วคราว <c oughs> เวลาได้มาก็เกิดสุขเวลาหมดไปก็เกิดทุกข์ <c oughs> แล้วต่อให้หามาได้มากน้อยเพียงไรกี่ครั้งกี่คราวก็จะเป็นแบบนี้ <c oughs> คือได้ได้ได้มาแล้วก็เกิดความสุข <c oughs> แล้วเดี๋ยวสิ่งที่ได้มามันก็เปลี่ยนไปหรือหมดไป พอมันเปลี่ยนไปหมดไปความทุกข์ก็เข้ามาอีกจึงทำให้ทรงเห็นว่าอ๋อไม่ได้เห็นสภาพความเป็นจริงของสิ่งที่ความอยากต้องการว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่ควบคุมบังคับให้มันเที่ยงไม่ได้ได้มาแล้วไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องเสื่อมมันต้องเปลี่ยนไปแล้วก็หมดไปในที่สุด เมื่อมันเสื่อมมันไปมันหมดไปมันก็จะทำให้ใจทุกข์แสดงว่าสิ่งที่ตัณหาความอยากหรือกิเลสความโลภต้องการนี้มันไม่ได้เป็นสิ่งที่ให้ความสุขที่แท้จริงมันเป็นให้ความสุขแบบควันไฟแบบชั่วคราวแล้วก็มันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเวลาที่ความสุขที่ได้จากสิ่งที่ตัณหาความอยากต้องการหมดไป ก็เราเห็นว่าสิ่งต่างๆที่ความอยากต้องการนี้มันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเพราะมันไม่เที่ยงแล้วก็ควบคุมบังคับให้มันเที่ยงไม่ได้อนัตตามันเป็นของที่ไม่มีใครควบคุมบังคับได้มันเป็นของธรรมชาติเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศดินน้าลมไฟนี่ไม่มีใครไปควบคุมบังคับได้ฝนจะตกแดดจะออกนี่บังคับมันไม่ได้ สันใดสิ่งต่างๆก็เป็นอย่างเดียวกันเป็นธรรมชาติไม่ได้เป็นตัวตนไม่ได้เป็นของใครไม่มีใครไปควบคุมบังคับให้เป็นให้ให้เป็นเหมือนเดิมอยู่กับตนเองไปได้ตลอดทรงเห็นตายลักในสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลดดิ่นรสผลธพรมะไม่ว่าจะเป็นธรรมารมต่างๆล้วนเป็น <c oughs> อนิจจังทุกขังอนัตตา พอเห็นว่าเป็นตายลักษความอยากก็หายไปทันทีเพราะไม่อยากไม่อยากจะไปเอาทุกมาใส่ใจนั่นเองอยู่เฉยๆนี้ถึงแม้จะมีทุกข์ที่เกิดจากความอยากแต่ถ้าไม่มีอะไรไม่ไปเอาอะไรมาก็จะไม่มาเพิ่มความทุกข์ให้กับใจแล้วความทุกข์ให้กับใจนี้ก็สามารถหยุดมันได้ ด้วยกำลังของสติของสมาธิและความรู้ทางปัญญาทุกครั้งที่อยากได้สิ่งต่างๆมาให้ความสุขทางปัญญาก็จะบอกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นของชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวมันหมดหมดแล้วมันจะทําให้ทุกข์สู้อยู่แบบไม่มีอะไรดีกว่าใจนี้สามารถอยู่โดยที่ไม่ทุกข์กับอะไรได้ ถ้าไม่มีอะไรมาแบกไม่มีอะไรมาครอบครองแล้วก็ทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็สามารถหยุดมันได้เมื่อเห็นว่าสิ่งที่อยากได้นั้นมันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขก็เท่านั้นเองพอเห็นว่าสิ่งต่างๆที่อยากได้เป็นทุกข์ไม่มีใครอยากได้ความทุกข์เมื่อเมื่อเห็นว่าเป็นทุกข์ก็หยุดความอยากหยุดความอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ เกิดความอยากได้สิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับใจเพราะสิ่งต่างๆมันไม่ได้เป็นความสุขมันเป็นความทุกข์นั่นเองอันนี้แหละคือการเห็นทุกข์เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นทุกข์มันไม่ได้เป็นสุขลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะมันเป็นของชั่วคราวมันเป็นของดิ้นได้มีเจริญได้ก็มีเสื่อมได้เวลาเจริญก็ให้ความสุข พอเวลาเสื่อมก็จะต้องให้ความทุกข์ถ้าไม่อยากที่จะได้ความทุกข์่างสิ่งเหล่านี้ก็อย่าไปอย่าไปเอาสิ่งเหล่านี้มาครอบครองมาให้ความสุขกับตนอยู่แบบไม่ต้องมีความอยากดีกว่าพอเวลาหยุดความอยากได้ใจก็เหมือนได้เข้ารูปประชานเข้าอารูณ ป, ประชานใจก็จะนิ่งใจก็จะสงบใจก็จะสบายใจก็ไม่มีความหิวโหวยไม่มีความรู้สึกกวนกวายกระสับก็สาย เวลาหยุดความอยากได้แต่ละครั้งด้วยกําลังของสติด้วยกําลังของปัญญาแล้วความอยากอันนั้นมันก็จะไม่กลับคืนมา <S S S> เคยเลิกสุราได้แล้วก็จะไม่ดื่มสุรา <S S S เคยเลิกเที่ยวได้แล้วก็จะไม่เที่ยวอีก <S S ถ้าเลิกด้วยปัญญาเลิกด้วยเลิกด้วยสมาธิโดยต้องมีสมาธิแล้วก็ต้องมีปัญญาให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราอยาก ได้มาให้ความสุขกับเรามันเป็นทุกข์เดือนตุราก็ทุกข์สูบบุหรี่ก็ทุกข์ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆก็ทุกข์มีแฟนก็ทุกข์มีอะไรก็ทุกข์ไปหมดเห็นพอาทุกอย่างมันไม่เทียมแล้วถ้ามี ส, ส, ส, มสติมีกำลังของสมาธิที่จะหยุดความอยากได้ความอยากก็จะหยุดไปหายไป เราความอยากจะหายไปเวลาข่าวต่อไปเวลาเห็นสุราก็เฉยเฉยไม่อยากลืม่มเห็นบุรีก็ไม่อยากสูดเห็นเห็นคนเข้าไปเที่ยวกันตามสถานที่ต่างๆก็ไม่อยากไปเพราะเห็นว่ามันไปหาความทุกข์กันไม่ใช่ไปหาความสุขกันใจอยู่เฉยๆกับมีความสุขเมื่อมีความสุขแล้วจะไปต้องไปหาอะไรมาให้ความสุขกับใจอีกความสุขที่ได้จากการ หยุดความอยากนี่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเป็นความสุขที่ถาวรไม่มีวันไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมด <S S S ต่างจากความสุขที่ได้จากการทําใจให้นิ่งสงบด้วยการเข้ารูปประชานหรืออูปประชานมันยังเป็นความสุขชั่วคราวอยู่แต่ความสุขที่ได้จากการหยุดความอยาก <S S <ม>เนื่องจากเห็นด้วยปัญญาว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากได้นั้นมันเป็นทุกข์ เพราะว่ามันไม่เที่ยงเพราะามันเป็นของชั่วกราวและเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้ห้ามมันไม่ได้สั่งให้มันเที่ยงไม่ได้สั่งให้มันอยู่กับเราให้ความสุขกับเราไปตลอดไม่ได้อันนี้แหละคือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงตัดสรคือวิธีฮะว่าตัดสัรู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ไหนและจะทาอย่างไรถึงจะทาให้ได้ความสุขที่แท้จริงมา มาอยู่ครอบครองใจไปตลอดถ้าเราไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้<ม>แล้วไม่เอาธรรมะที่พระองค์ได้ทรงค้นพบมาเผยแผ่สั่งสอนให้กับสัตว์โลกอย่างพวกเราโลกเราก็จะหลงถูกความหลงถูกความไม่รู้นี้หลอกให้เราไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้สิ่งต่างๆที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา เพราเราจะไม่มีปัญญามองเห็นว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาเราจะมองว่ามันเป็นสุขขังนิจจงสุขขังอัตตาเห็นอะไรเราก็คิดว่ามันจะให้ความสุขกับเราไปตลอดจะไม่จากเราไปจะอยู่กับคู่กับเราไปจนวันตายแต่มันไม่มีอะไรหรอกที่มันจะอยู่กับเราไปเรื่อยๆถึงแม้จะอยู่กับเรามันก็ไม่ได้เหมือนเดิม มันแก่ลงมันเปลี่ยนลงมันเปลี่ยนได้เสื่อมลงไปได้คนที่เราแต่งงานด้วยตอนที่เราพบกันตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นอย่างหนึง่งตอนนี้เป็นยังไงรูปล่างหน้ า, นาตากลายเป็นคนแก่คนอะไรไป <c oughs> เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยมมันต้องมีการเสื่อมมีการสิ้นสุดลงมีการเปลี่ยนแปลงเวลามันเปลี่ยนแปลงความสุขที่ได้จากมันก็หายไป อันนี้คือสิ่งที่เราจะได้มาศึกษามาเรียนรู้กันแล้วพยายามมาสร้างเครื่องมือที่จะมาทำให้เหล่านี้สามารถหยุดความอยากต่างๆได้หยุดความอยากที่จะไปหาความสุขความสุขที่เป็นทุกข์ก็คือ ความสุขที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนความสุขที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือความสุขผ่านทางร่างกายความสุขความสุขผ่านทางตาหูจมกูกลิ้นกายด้วยการมาปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้ามาเจริญมัตซึ่งเป็นเหมือนกับเครื่องมือเครื่องมือที่เราจะเอาไปใช้ในการหยุดความอยาก ที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปเครื่องมือที่เป็นมักนี้พรงองทรงตัดสอนไว้สามขั้นก็คือขั้นศีลสมาธิปัญญาให้เรามารักษาศีลกันศีลนี้เป็นศีลระดับของนักบวชศีลที่เรียกว่าเนกขมมะการละเว้นการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ก็เราถ้าเราได้ศึกษาธรรมะแล้วเราก็จะได้เรียนรู้ว่าความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายนี้มันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขมันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่เวลามันหมดไปมันก็จะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาให้ละเว้นการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายด้วยการมารักษาศีลแปลดกันในวันพระ วันธรรมดาถ้าเรายัางมีภาระหน้าที่การงานต้องทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไม่มีเวลาพอที่จะมาอยู่วัดมารักษาศีลแปดได้ก็วันธรรมดาก็รักษาศีลห้าไปทำบุญทำทานไปก่อนแล้วความสุขใจในระดับที่ที่ระดับสวรรค์ชั้นเทพไปก่อนส่วนการที่เราจะมาหาความสุข ในระดับของพระนิพพานเนี่ยเราต้องรอให้เรามีเวลาว่างจากภากรกิจการงานต่างๆเพราะการปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาเพื่อให้ได้ความสุขของพระนิพพานนี้จําเป็นจะต้องมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตลอดเวล า, จ, าจึงจะสามารถเข้าถึงความสุขในระดับของ สมาธิและในระดับของปัญญาได้ mm hmm. เราจึงพระพุทธเจ้าจึงทรงกำหนดวันพระไว้เนี่ยหนึ่งวันอาทิตย์หนึ่งมีเจ็ดวันขอให้แบ่งเวลามาให้กับการสร้างความสุขให้กับใจสักหนึ่งวันอีกอีกวันก็เอาเวลาไปทำมาหากินเพื่อเลี้ยงดูร่างกายเพราะร่างกายก็เป็นสิ่งที่สำคัญ ร่างกายก็ต้องมีท่านตอนนี้ถ้าเกิดร่างกายเป็นอะไรไปก็อาจจะไม่สามารถมาปฏิบัติทางธรรมได้ทางศีลสมาธิปัญญาได้ mm hmm. ก็จำเป็นที่จะต้องเลี้ยงดูร่างกายให้แข็งแรง mm hmm. ให้สามารถที่จะมาะปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาได้ mm hmm. แต่ไม่ควรเลี้ยงดูร่างกาย เพื่อเอาร่างกายนี้ไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายอันนี้มันเป็นการไปหาความทุกข์เพราะรูปเสียงกลิ่นรสมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่าเอาเวลาเอาร่างกายที่เราเลี้ยงดูมันอย่างดีไปใช้กับการหาความทุกข์ทางตาหูจมูกนิ้งกายให้เอาร่างกายที่เราเลี้ยงดูอย่างดีนี้มาหาความสุขที่เกิดจากความสงบ จากการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นในวันพระวันที่เราว่างจากภารกิจการงานเราก็หาไปหาที่สงบที่ที่วัดก็ได้หรือถ้าเราอยู่บ้านคนเดียวเราทำบ้านให้เป็นวัดขึ้นมาก็ได้ด้วยการรักษาศีลแปดกันแล้วก็ปิดสิ่งต่างๆที่เป็นสื่อที่ ที่จะมากระตุ้นให้เราเกิดความอยากทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นปิดโทรทัศน์ปิดอะไรปิดตู้เย็นตู้เย็นอย่าไปเปิดบ่อยๆเปิดเฉพาะเวลาที่จะต้องรับประทานอาหารหลังจากที่รับประทานอาหารแล้วเที่ยงวันไปแล้วก็อย่าไปเปิดตู้เย็นอย่าไปเปิดดูของกินเห็นของกินแล้วเดี๋ยวมันเกิดความอยากขึ้นมาทาบ้านให้เป็นวดเก่าเหมือว่า เ ป, เป็นห้องว่างๆไม่มีอะไรมาคอยดึงใจให้ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายด้วยการรักษาสินแปดสินแปก็สินก็สามของสินแปก็คืออรรมัจริยาลาเวนจากการร่วมหลับนอนไม่มีความเพศสัมพันธ์กับใคร แม้แหลันจะเป็นสามีภรรยาก็ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีการร่วมเพศกันไม่ให้หาความสุขทางร่างกายเอาเวลามาหาความสุขการจากการทำใจให้สงบแล้วก็ข้อหกก็ไม่ให้รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเพราะการรับประทานอาหารนี่ไม่จำเป็นจะต้องรับประทานทั้งสามื้อสามนับนักปฏิบัติ พระคุณเจ้าสอนพระให้ฉันวันละมื้อก็อยู่ได้ทุดงขวัตฉันมื้อเดียวญาติโยมก็สามารถถือทุดงขวัตข้อนี้ได้กินมื้อเดียวก็พอกินให้อิ่มเต็มที่เลยพออิ่มแล้วเหมือนกระเติมน้ํามันรถเราเติมน้ำมันทีแล้วก็เติมให้มันเต็มถังไปเลยจะได้ไม่ต้องมาคอยเติมบ่อยๆไม่ใช่เติมทีละครึ่งถังเติมพอเดี๋ยวมันท้องก็ต้องมาเติมใหม่อีก จเอาเที่ยวให้มันเต็มถังไปเลยจะได้ไม่ต้องมากังวลกับการคอยเติมน้ามันอยู่เรื่อยๆอันนี้ก็เหมือนการร่างกายก็เหมือนกับเหมือนกับรถยนต์อ่ะต้องคอยเติมน้ำมันเหมือนกันอาหารของร่างกายก็คือน้ำมันของร่างกายกินหนเดียวก็พอกินให้มันเต็มที่เลยกินให้มันอิ่มให้พอแล้วก็ไม่ต้องกินอีก แล้วมันจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายกับการคอยมาหาอาหารรับประทานอยู่เรื่อยๆมันจะทําให้มาขัดขวางการการเจริญสตินั่งสมาธิมันจะทําให้ไม่ต่อเนื่องเราต้องการให้มันต่อเนื่องตั้งแต่หลังจากเที่ยงวันไปแล้วร่างกายก็จะพระทางร่างกายก็หมดไปพระกินก็หมดไปไม่ต้องคอยมากังวลมาคอยคอยรอดูเวลาถึงเวลากินอาหารหรือยัางายก็นึก แต่เรื่องอาหารแทนที่จะมาภาวนาจเจริญสติหยุดความคิดก็อดที่จะคิดไม่ได้แต่ถ้าเราถือก็กิกนมื้อเดียว ก, กินตอนเช้าตื่นขึ้นมาเหมือนพระไปบินธบาตกลับมาจากบิณธบาตก็ฉันกันฉันเสร็จก็จบเรื่องกินไม่ต้องไม่ไม่กังวลอีกต่อไปจบแล้วก็กลับไปเดินจงกรมนั่งสมาธิเลยมีเวลาให้กับการปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ อันนี้ต้องทำแบบนี้ถ้าเราอยากจะได้ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้การปฏิบัติจะต้องต่อเนื่องต้องไม่ขาดตอนทำตั้งแต่ก็ตื่นนอนขึ้นมาเลยเวลาภาวนาเนี้เวลาจเจริญสตินี้ต้องทำตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพอลืมตาขึ้นมาก็จะเจริญสติคอยหยุดความคิดอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะเป้าหมายของการ ทำสมาธิก็คือหยุดความคิดนั่นเองงั้นเราต้องพยายามหยุดความคิดก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิถ้าเรามาม า, มาหยุดคอยพยายามหยุดความคิดตอนที่เรานั่งสมาธินี้มันจะทําไม่ไหวเพราะแรงความคิดมันมันแรงมากมันจะทําให้รู้สึกอึดอัดนั่งไม่ได้นั่งแล้วก็เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้อึดอัดตรงนั้นอึดอัดตรงนี้ขึ้นมา แล้วก็ไม่ใจก็ไม่อยู่นิ่งฟุ้งซ่านคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แทนที่จะอยู่กับพุโทโธก็ไม่อยู่ให้ดูลมหาย ใ, ใจเข้าออกก็ไม่ดูจำเป็นที่จะต้องฝึกสติตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลย mm hmm. เช่นวันพระวันนี้พอเริ่มต้นเช้าขึ้นมาก็เป็นวันพระแล้วนะวันวันวันใหม่นี้ถือว่าเป็นจุดเป็นเวลาเริ่มต้นของวันใหม่คือตอนเช้าตอนสว่าง เวลาของวันใหม่ทางทางทา ง, าทางศาสนานี้เรานับจากเวลาที่แสงสว่างขึ้นมาในตอนเช้าที่ว่าอารุณพอพอได้อรุณพอได้แสงสว่างก็เรก็ก็เรียกว่าเป็นวันใหม่วันใหม่วันพระนี้เริ่มตั้งแต่ตอนหกโมงเช้านี่ยพอเราตื่นขึ้นมาเราก็เริ่มเจริญสติไปเลยเพราะว่าวันพระเราไม่ไปทำงานเราจะ เอาวันนี้มาให้กับการทำหน้าที่ทางจิตใจมาฝึกจิตฝึกใจมาทําจิตใจให้สงบเราก็ต้องทําตั้งแต่เราเริ่มเริ่มเริ่มลืมตาขึ้นมาเลยพอเริ่มลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธไปเลยอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เวลาไปทํากิจส่วนตัวอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันก็พุโทโธคอยพุโทโธไปอย่าให้ไปคิดเรื่องต่างๆให้อยู่กับ กิจที่กำลังทำอยู่ในขณะนั้น <Yeah. S 2> อาบน้ำล้างหน้าแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหาร <Yeah. S 2> ทำอะไรในบ้านหรือที่วัดก็ทำทำด้วยสติคอยควบคุมความคิดคอยหยุดความคิดให้ได้ yeah. Yeah. แล้วพอเวลารับประทานอาหาร <Yeah. S 2> ก็มีสติอยู่การรับประทานอาหารรับประทานเสร็จล้างถ้วยล้างชามทำอะไรให้เสร็จเรียบร้อย แต่ารับประทานเสร็จนี้จะไม่นั่งสตินั่งสมาธินี้มันจะรู้สึกง่วงนอนเพราะท้องมันอิ่มส่วนใหญ่แล้วนั่งปฏิบัตินี้จะไม่นั่งสมาธิกันหลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จแล้วจะเดินจงกรมกันมากกว่าเดินจงกรมเพื่อผ่อนคลายให้ความอหิวให้อาหารที่อยู่ในร่างกายมันได้มีโอกาสได้ย่อยเดี๋ยวเดินไปสักพักหนึ่งแล้วมันก็อาจจะหายง่วง เราก็กลับมานั่งสมาธิใหม่ <Yeah. S 1> อันนี้คือการปฏิบัติถ้าเราต้องการที่จะ <c oughs> ทำจิตให้สงบนี้มันต้องทำอย่างต่อเ น, นื่องทำตั้งแต่เริ่มต้นของวันเลยตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาเลยเป็นวันนี้ถ้าเราจะถือวันนี้เป็นวันพระวันปฏิบัติของเรา <Yeah. S 1> พอเราลืมตาขึ้นมาเราก็ต้องปฏิบัติเลยฝึกสติพุโทโธพุโทโธไปเลย mm. หรือถ้าเราไม่ใช้พุโทโธก็ใช้การเฝ้าดูาการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายคอยดูว่าร่างกายกำลังอยู่กาลังทำอะไรอยู่กำลังเดินกำลังยืนกำลังนั่งกำลังรับประทานอาหารกำลังน้างหน้าแปรงฟันกำลังทำอะไรก็เฝ้าดูมันอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ลือมาดีดไปอดีตต่างๆเหมือนก็นโลกนี้ไม่มีใครแล้วมีเราอยู่คนเดียวตามนาพัง อนาคตก็ไม่มีอะไรให้เราอยู่กับปัจจุบันให้อยู่ปัจจุบันด้วยการไม่คิดถ้าคิดมันก็จะไปอดีตบ้างไปอนาคตบ้างถ้ามันไปก็ต้องดึงกลับมาถ้าใช้การดูการเคลื่อนไหวของร่างกายยังหยุดความคิดไม่ได้ก็ต้องใช้พุทโธมาช่วยใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธไปพอรู้ว่ากำลังคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดถึงคนนั้นคนนี้ คิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตขึ้นมาก็าต้องใช้พุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆทำนี้ควบคู่กับการเคลื่อนไหวกับการกระทำต่างๆของของร่างกายซึ่งถ้าเป็นวันที่เราไม่ต้องไปทำงานนี้การกระทำต่างๆนี้ก็ไม่ต้องใช้ความคิดมากลาบอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารแต่งเนื้อแต่งตัวนี้ไม่ต้องใช้ความคิดมากไม่เหมือนกับเวลาที่เราทางาน ทำธุรกิจนี่เราจะต้องติดต่อคนนั้นติดต่อกับคนนี H ้เกี่ยวต้องทำเรื่องนั้นต้องทำเรื่องนี้อันนั้นมันจะต้องใช้ความคิดมากมันก็จะยากต่อการฝึกสติให้หยุดความคิดกันเราถึงจะต้องมาฝึกในวันที่เราไม่ต้องไปทำงานสมัยนี้วันพระมักจะไม่ตรงกับวันหยุดทำงานเราเราก็คงจะต้องเปลี่ยนวันพระของเราใหม่ให้มาตรงกับวันที่เราหยุดทางาน ซึ่งเดี๋ยวนี้วันหยุดทํางานของเราก็จะตรงกับวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นี้เราก็ต้องเอาวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นี้มาเป็นวันพระแทนเพราะวันนี้เป็นวันพระแต่ต้องไปทํางานก็ไม่สามารถทําหน้าที่ถ่งจิตใจได้ในวันนี้เราก็ต้องเลื่อนไปรอวันหยุดของเราวันหยุดของเราอาจจะเป็นวันเสาร์ก็ได้หรือวันอาทิตย์ก็ได้วันใดวันหนึ่งหรือจะทําทั้งสองวันก็ได้ ถ้าเราไม่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับคนอื่นไม่มีสังคมที่เราจะต้องไปเกี่ยวข้องด้วยเราก็อยู่แบบคนเดียวปฏิบัติธรรมของเราไปในวันหยุดของเราดีกว่ายิ่งปฏิบัติมากเท่าไหร่ผลก็ยิ่งจะเกิดขึ้นมากขึ้นตามลาดับปฏิบัติน้อยผลก็จะเกิดขึ้นน้อยปฏิบัติมากผลก็จะเกิดขึ้นมากอยู่ที่การปฏิบัติการปฏิบัติเป็นเหตุผลก็คือความสงบ ความระงับของความทุกข์ความระงับของกิเลสตัณหาที่เป็นผลนี้มันก็จะตามมาจากเหตุทำความเพียรมากผลก็จะมากทำความเพียร น, น้อยผลก็จะน้อยในเบื้องต้นนี้เราก็เพียรเจริญสติก่อนแล้วก็รักษาศีลให้บรยสุดอย่าให้ไปละเมิดศีลข้อใดข้อหนึ่งเช่นอาหาร ไม่กินหลังเที่ยงวันไปแล้วหรือถ้ากินมื้อเดียวก็ไม่กินมากกว่านั้นหลังจากกินอาหารเสร็จแล้วเรื่องอาหารก็ตัดไปถึงแม้ใจอาจจะคิดจะหิวจะอยากกินก็บอกไม่ตายบอกไม่ตายร่างกายมันไม่ตายแน่นอนดูพระครูบาอาจารย์ต่างๆดูพระพุทธเจ้าดูพระอาจาร์ตสาวกท่านกินมื้อเดียวทั้งนั้น สิ่งใดที่พระพุทธเจ้าสอนนี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติมาแล้วทั้งนั้นพระพุทธเจ้าไม่เอาสิ่งที่พระองค์ไม่ได้ปฏิบัติมาสอนทุกสิ่งทุกอย่างที่พระพุทธองค์ทรงสอนให้พวกเราปฏิบัตินี้พระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติมาแล้วและพระอรหันตสาวกก็ได้ปฏิบัติตามมาแล้วเราจึงเอามาสอนพวกเราอีกทีถ้าท่านไม่ปฏิบัติแล้วเอามาสอนนี้ท่านก็จะไม่สอน เพราะว่ามันมันมันเป็นสิ่งที่เมื่อไม่ตัวเองไม่ทำแล้วไปสอนให้คนอื่นเขาทำได้อย่างไรงั้เราต้องมีความเชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ตายจากการกินมื้อเดียวหรอกไม่ได้ตายจากการไม่ได้กินข้าวเยน็นไม่ต้องกลัวมันหิวยังไงมันหิวที่ใจใจไปคิดถึงมันมันก็เกิดความหิวขึ้นมาทัานเองวิธีจะละงงับความหิวที่ใจสร้างขึ้นมาก็คือใช้สติเนี่ยใช้พุโทโธพุธโทโธ พอมันเริ่มคิดถึงอาหารเริ่มอยากจะกินแล้วก็ต้องรีบพุโทโธแล้วแสดงว่าเราไม่มีสติควบคุมความคิดของเราแนละ้วปล่อยให้ใจไปคิดถึงความคิดถึงอาหารคิดถึงความอยากกินอาหารแนละ้วตอนนั้นเราก็ต้องรีบรีบกลับมารีบดึงสติกลับมามเผลอแล้วเผลอสติไม่ได้อยู่กับพุโทโธปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้<ม>หรือว่าจะใช้ปัญญาก็บอกว่าไม่ตายหรอกอดอาหารแค่นี้ ไม่กี่ชั่วโมงเดี๋ยวก็ได้กินแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็ได้กินแล้วไม่ตายคนที่ปฏิบัติธรรมมาพระพุทธเจ้าพาอาหารนี้ท่านไม่ได้ตายจากการอดอาหารสิ่งที่ตายจากการอดอาหารก็คือกิเลสตัณหาความอยากกินนั่นเองความทุกข์ที่เกิดจากความอยากกินคือความหิวต่างๆไอ้ตัวนี้ตางหาที่มันจะตายที่มันจะหายไปอันนี้ก็คือ เราต้องพยายามรักษาศีลแปดให้ได้ให้บริสุทธิ์อย่าไปกระทำอย่าไปละเมิดเพราะว่าถ้าเราไปทํามันก็จะทําให้เราไม่ได้มีเวลามาให้กับการปฏิบัตินั่นเองมไม่มีจะไม่มีเวลามาให้กับการเจริญสตินั่งสมาธิไม่มีเวลาที่จะมาพิจารณาทางปัญญาได้เพราะฉะนั้นเราต้องอาศัยการรักษาศีลแปดนี้เป็นตัวคอยอเป็นรั้ว คอยกั้นไม่ให้ความอยากมันดึงใจให้เราไปหาสิ่งต่างๆที่จะทำให้เรานี้ต้องเสียเวลากับการที่เราจะมาปฏิบัติธรรมแล้วก็ต้องไปทุกข์กับสิ่งที่เราไปหาเพราะสิ่งที่เราไปหามันไม่ใช่เป็นความสุขมันเป็นทุกข์มันเป็นตายรักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาลูกเสียงกินรส ไม่ไปดูหนังฟังเพลงไม่ไปหาสิ่งที่เป็นมหัศลศพบันเทิงต่างๆไม่ไปหาเสื้อผ้าพรสวยๆงามๆา ม, มาใส่ไม่แต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากไม่ใช้เครื่องสำอางน้า ม, มันน้ำหอมอะไรต่างๆเหล่านี้อันใดที่ทำเพื่อความสวยงามนี้ไม่ให้ไม่ให้ใช้ถ้าสิ่งใดที่ต้องใช้เพื่อรักษาร่างกายก็ใช้ได้อยู่ถ้าผิวแตกต้องทายาการผิวแตกอันนี้ก็เป็นเรื่องของ ของการรักษาร่างกายรักษาผิวก็รักษาไปแต่ถ้าเป็นการเสริมเสริมสวยความงา ม, มนีก็ไม่ควรที่จะใช้เป็นการหาความสุขจากการจากการมีของจากการที่มีร่างกายสวยงามอันนี้ไม่ต้องไม่อย่าไปทำเพราะร่างกายมันสวยงามไม่นานหรอกเดี๋ยวมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บเวลามันแก่นี่ก็มันทำไงมันก็ไม่สวยแล้วละดะงนั้นอย่าไปกังวลกับเรื่ององความสวยงามของร่างกาย อย่าไปเสียเวลากับมันแล้วก็อย่านอนมากเกินไปอย่าไปนอนบนเตียงที่มีฟูกหนะนีวหนาเตียงที่นอนแล้วสบายมันจะนอนมากเกินไปให้นอนกับเตียงที่เป็นพื้นแข็งๆแล้วไม่มีเตียงที่เป็นพื้นแข็งก็นอนนอนกับพื้นก็ได้ปูผ้าปูเสือ่อนอนอาจจะปูกันความเย็นไม่ให้มันมาทให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยอาจจะต้องมีปูผ้าบางกันความเย็น อันนี้ก็ใช้ได้แต่ไม่ได้ให้ปูเพื่อให้มันนุ่มให้มันสบายเพื่อมันจะได้นอนมากๆจะไดจะจะเสียเวลากับการปฏิบัติไปถ้าเราปล่อยให้นอนมากๆนอนเท่าที่ร่างกายต้องการปกติประมาณสี่ห้าชั่วโมงร่างกายก็จะตื่นขึ้นมาแต่ถ้านอนมันฟุ้งหนาๆนที่มีความสุขใจมันไม่อยากจะลุกมันก็จะนอนต่อ นอนต่ออีก3ามสี่ชั่วโมงเสียเวลาอันมีค่าที่เราจะมาใช้กับการเจริญสตินั่งสมาธินี่คือการรักษาศีลแปมีไว้เพื่อสนับสนุนการเจริญสตินั่งสมาธิแล้วก็การเจริญปัญญาตามลำดับต่อไปถ้าเรารักษาศีลแได้แล้วเราก็จะมีเวลาตั้งแต่หลังจากเที่ยงวันไปแล้วนี่เราไม่ต้องมีอะไรต้องทำนะมีแต่เดินจงกลมนั่งสมาธิไปอย่างเดียว ถ้าหิวน้ําก็ดื่มน้ําเปล่าหรือถ้าอยากจะดื่มน้ําที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้ดื่มได้ก็มีพวกน้ําผลน้ําผลไม้คั้นอย่างนี้ดื่มน้ําผลไม้คั้นได้แต่อย่าดื่มนมหรืออาหารที่มีนมประกอบถือว่าเป็นอาหารสิ่งที่มีนมนี่นมนี้ถือว่าเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นนมนมสัตว์หรือนมถั่วเหลืองก็ถือว่าเป็นอาหาร ถ้าจะดื่มก็ดื่มอย่างอื่นดื่มน้ําน้ําผลไม้หรือน้ําชากาแฟนี้ก็อนุญาตแต่ถ้าจะให้ดีอย่าไปดื่มนี่จ้ะของพวกนี้มันก็มีรูปเสียงกลิ่นรดมันก็เป็นการไปเสบรูปเสียงกลิ่นรดขึ้นมาอีกถ้าไม่อยากจะเสบรูปเสียงกลิ่นรดเลยก็ดื่มน้ําเปล่าๆไปน้ําเปล่าๆ น, นี้ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรดไม่ได้เสบรูป ไม่ได้หาความสุขจากการดื่มน้ำเปล่าๆดื่มน้ำเปล่าๆเพื่อบันเทาความหิวกระหายของร่างกายเท่านั้นเองร่างกายต้องต้องมีน้ำหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาต้องมีลมหายใจตลอดเวลาแล้วก็ต้องมีอาหาร <c oughs> อย่างน้อยก็วันละหนึ่งครั้งอันนี้เป็นสิ่งที่เรา <c oughs> ต้องผลผนให้กับร่างกาย <c oughs> ถึงแม้เราจะปฏิบัติเราก็ยังต้องกินข้าว เราก็ยังต้องหายใจเราต้องดื่มน้ำแต่เรื่องน้ำชากาแฟเรื่องเครื่องดื่มอะไรต่างๆนี้มันไม่มีความจำเป็นอย่าไปดื่มมันได้จะดีกว่าจะได้ไม่มาเสียเวลาเยางนั้นเดี๋ยวมันก็จะหาข้ออ้างเดี๋ยวไปนั่งดื่มกาแฟดื่มน้ำชาแทนที่จะไปนั่งสมาธิแทนที่จะไปเดินโยงกลมก็มาติดอยู่กับการดื่มเครื่องดื่มต่างๆอีกเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่ใช่เป็นเหตุจาเป็นจริงๆเช่นร่างกางยา อิดรรยไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงไม่มีพลังขาดพลังอาจจะต้องดื่มน้ำตาลของที่เป็นหวานบ้างเพราะมันเป็นพลังงานของร่างกายพระพุทธเจ้าอนุญาตเภศัชเช่นน้ำตาลน้ำอ้อยหรือน้ำพึ่งให้ดื่มได้เวลาที่ร่างกายรู้สึกอ่อนแออ่อนกำลังมีน้อยเนื่องจากอาจจะอาหารที่รับประทานเข้ไปนั้นมัน พลังงานมันได้จากอาหารนั่นมันหมดไปแล้วก็อาจจะต้องเติมด้วยการใช้ดื่มดื่มน้ำอ้อยดื่มน้ำน้ำตาลของที่มีน้ำตาลหรือน้ำพึ่งอย่างนี้ต้งอนุญาตต้งอนุญาตเภสัชห้าห้าห้าชนิดให้กับพระภิกษุให้ให้ดื่มได้หลังหลังในยามวิการก็คือน้ำน้ำตาลหรือน้ำอ้อยน้ำพึ่งน้ำมันน้ำมันแล้วก็มี เนยข้ในนยใสเนี่ยอนุญาตของพู้นี้มันเป็นเหมือนพลังงานดื่มเข้าไปในร่างกายแล้วมันจะทําให้ร่างกายมีพลังงานส่วนน้ํามันนี้อาจจะดื่มไปเพื่อเคลือบกระเพา ะ, พาะถ้าเกิดมีอาการเจ็บท้องอะไรทํานองนี้ก็อาจจะดื่มน้ํามันเข้าไปเพื่อรักษาอาการเจ็บท้องของร่างกายนี่คือเภสัชห้าชนิดที่พระพุทธเจ้าอนุอน ญ, ญาตให้ผู้ที่ถือศีลแปด หรือพระที่ถือศีล227 น, นี้ดื่มได้หลังจากหลังจากเที่ยงวันไปแล้วถือว่าเป็นเภสัตชเป็นยารักษาโลกคือโรคของการหมดโรคของร่างกายก็คือการขาดพลังงานร่างกายขาดพลังงานไม่มีเยี่ยวมีแรงพอพอดื่มน้ำอ้อยเข้าไปหน่อยดื่มน้ำผึ้งเข้าไปหน่อยแล้วกินเนยข้นเนยใสยเข้าไปหน่อย มันก็เกิดทำให้มีพลังงานเข้าไปทำให้มีกำลังที่จะเดินจงกรมนั่งสมาธิได้ไม่รู้สึก ว, วก่วไม่รู้สึกไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงไม่มีกำลังวางชานี่นี่คือการรักษาศีลแปดของเราเน่เราจะต้องอาศายัยศีลแปดไว้เป็นเครื่องมือสนับสนุนไม่เช่นนั้นถ้าเราไม่มีศีลแปใจมันจะถ่ายทถลไปที่อื่นไปทางตาหูจมูกลิ้นกาย สินแปดนี้เป็นเหมือนรั้วเวลาที่เราจ ะ, ะเวลาที่เราเลี้ยงสัตว์เลี้ยงวัวเลี้ยงควายนี้เราก็ต้องทำอคอกไว้ให้มันอยู่ถ้าเราไม่มีอคอกมันก็จะไปเที่ยวของมันไปไปถึงไหนไปที่ไหนก็ไม่รู้เวลาจะเอามันมาทำอะไรทีก็ต้องไปตามหามันใจก็เหมือนสัตว์เลี้ยงนี่แหละถ้าไม่มีอคอกมันก็จะไปมันก็จะไป หารูปเสียงกิ่นรสผลธภะไปเสพของมันอยู่เรื่อยๆไปดูไปฟังไปกินไปดื่มถ้าปล่อยให้ใจไปอย่างนั้นก็จะไม่สามารถดึงดึงมันมาให้มามาสงบนิ่งได้เลยต้องอาศัยรั้วของศีลเป็นตัว <c oughs> กักขังใจของเราก่อนให้มันอยู่ในกรอบของศีลอยู่ในรั้วของศีลแล้วมันง่ายต่อการที่จะ ควบคุมบังคับให้มันนิ่งสงบด้วยสติต่อไปครั้แรกต้องหันรักษาสีแปดให้ได้ในวันพระ <c oughs> วันธรรมดาถ้ายังต้องทํางานอยู่ก็รักษาศีห้าไปก็พอ <c oughs> ทําบุญทําทานในวันธรรมดา <c oughs> หาบุญจากการทําบุญทําทานรักษาศีห้าไปแล้ววันพระก็มาหาบุญจากการมารักษาศีแปด จเจริญสตินั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมให้เกิดปัญญาขึ้นมาเราต้องมีการพัฒนาวันธรรมดาก็เอาเอาสวรรค์ระดับเทศไปก่อนแล้วก็วันวันวันหยุดทํางานเราก็มาสร้างสวรรค์ระดับพรมระดับพระอริยะบุคคลระดับพระนิพพานกันเบื้องต้นก็อาจจะทําเฉพาะวันพระไปก่อนแล้วถ้าเราเริ่มเห็นผลดีว่าทําแล้วจิตใจเรามีความสุขมากขึ้น มีความเย็นมีความสบายมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงเราก็อาจจะเพิ่มวันปฏิบัติให้มากขึ้นจากว่าอาทิตย์ละหนึ่งวันก็อาจจะเพิ่มเป็นสองวันวันวันโกนแล้วก็วันพระเมื่อวานนี้เป็นวันโกนวันนี้เป็นวันพระก็หยุดงานสองวันเราทำงานมีวันหยุดเสาร์อาทิตย์เราก็เพิ่มเป็นสองวันแ้่ถ้ายังดีเรปฏิบัติดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลง อยากปฏิบัติมากขึ้นอาจจะลา ง, งานหรืออาจจะเปลี่ยนงานหางานที่เราสามารถทำน้อยวันได้ทำตามวันที่เราต้องการได้อาจจะเป็นงานอาชีพอิสระขายของเองจะเลือกจะทำวันไหนก็ได้วันไหนไม่ทำก็ได้พอเราเริ่มเห็นคุณค่าของการฝึกฝนอบรมจิตใจของการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญา ว่าเป็นสิ่งที่ทําให้จิตใจเรานี้มีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงและจะเป็นจะเป็นสิ่งที่จะพาให้เราได้ไปสู่พระนิพพานต่อไปเราก็า จ, จะลดการทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จําเป็นหาเท่าที่จําเป็นหรือถ้าเรามีเงินเก็บไว้แล้วไม่ต้องทํางานก็หยุดงานไปเลยก็ได้แล้ว เ, เวลาว่างของเรานี้ไปให้กับการปฏิบัติ ศีลสมาธิปัญญาอย่างเต็มรูปแบบเลยก็ได้ไปเป็นถ้าเป็นนักบวชได้ ย, ยิ่งดีไปบวชท่าบวชชีกันเพื่อที่เราจะได้มีเวลาให้กับการปฏิบัติตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับนีถ้าปฏิบัติได้อย่างตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับนี้พระเจ้าได้ทรงแสดงไว้ในสติปัฏฐานสูตรแล้วว่าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปี จะต้องบรรลุธรรมอย่างแน่นอนจะต้องหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างแน่นอนอาการหลุดพ้นเป็นผลตจะเหตุคือการปฏิบัติการปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญานี้เป็นเหตุที่จะพาให้จิตใจได้ก้าวออกจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นออกจากกองทุกของการเกิดแก่เจ็บตายได้เข้าสู่ความสุขของพระนิพพานความสุขที่เป็นความสุขที่ถาวร เป็นความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุดผลดต่างๆเหล่า น, นี้มันจะเกิดขึ้นก็จากการที่เราเริ่มต้นมีวันพระมีการศึกษามีการปฏิบัติอย่า ง, างจริงจังทุกวันพระเราก็หยุดภารกิจการงานอื่นๆไปให้หมดแล้วเอาเวลาของวันพระนี้มาให้กับการฟังเทศฟังธรรมกับการปฏิบัติธรรมกับการรักษาสี่งถ้าเราทำอย่างนี้ได้แล้วมันก็จะเจริญก้าวหน้าไปเรื่อย จากวันพาะจากอาทิตย์ละหนึ่งวันก็จะเพิ่มเป็นสองวันสาวันไปจนในที่สุดก็อยากจะปฏิบัติทุกวันไม่อยากจะทําภารกิจทางโลกอีกต่อไปเพราะมันเป็นมันเป็นภารกิจที่วุ่นวายใจและไม่ไม่ได้ความสุขที่จีรังถาวรได้มาแล้วก็หมดไปไม่เหมือนกับความสุขที่ได้จากการปฏิบัติมันจะอยู่กับใจเราไปจะมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆสร้างความเย็นใจให้มากขึ้นสร้างความสุข ใจให้มากขึ้นไปตามลำดับของการปฏิบัตินี่คือภารกิจของพุทธศาสนิกชนที่พูะเจ้าได้ส่งมอบให้กระทำกันในวันพระก็ขอให้ท่านจงนำเอาไปพิจารณาและปฏิบัติต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวะริวะหาปุระปาร a ปุเร t i ิส ah e ักหลังเอวาม i ว a อิโตทินนางเปตาน a งอุปกา i ปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิดว่ามีวะสมิจตุสัพ e พ u ุ e ร t ตุสั k ก p a จันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิว a จันตุสัพพโรโควินสศตุมาเตภวตวันตาโยสุขีธีขาโยโกภวะอภิวาธนสีลิสาณิจางุฏาปจายินุจตารธรรมวันติ นนช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถ้าไม่ถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้มีมือถือก็ส่งเข้ามาทางเพจทาง YouTube วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ นมัส ก, การพาจารย์เจ้าค่ะวันนี้มีผู้รับชมทาง Facebook พาจารย์651ท่าน YouTube 289ท่านทาง Dr. V Channel 72ท่านวิทยุออนไลน์13ท่านคลับหา13ท่านผู้รับฟังหน้ากุติ102ท่านลมทั้งหมดเป็น 1,140 ท่านเจ้าค่ะมีคําถามจากคุณทีคัฒนา สักถามมาเจ้าค่ะการบรรลุธรรมขั้นต้นมีลักษณะคือต้องลดความโกรธความโลภความหลงลดลงคือไม่สุขทุกเกินไปไม่ยินดียินร้ายในสังขารว่าเป็นของเรามองการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาเห็นธรรมว่าเรามีจิตเปลี่ยนแปลงไปเป็นอนัตตา ควบคุมไม่ได้แค่สักแต่ว่ารู้และคนอื่นก็เป็นเหมือนเราจึงวางได้จึงพอจะเห็นธรรมแบบนี้คือถูกต้องไหมเจ้าคะและทำให้มากเจริญให้มากถึงมีพลังพอที่จะเห็นแบบนี้จริงๆด้วยสติและปัญญาต้องยอมหยุดย็นอย่างจิตอย่างแท้จริงใช่ไหมเจ้าคะเบื้องต้นต้องลดละความอยากในลาบยศเสริมสุขก่อน ลดความอยากล่ำอยากรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากมีชื่อเสียงมีมีเกียรติอยากอยากหาความสุขอยากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก่อนเราค่อยมาลดมาละความอยากในร่างกายของเราความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอันนี้เบื้องต้นเอาของภายนอกก่อนเพราะมันง่ายกว่าของของภายใน การละร่างกายนี่มันยากกว่าการละลาบยศเสรเสรนใช่ไหมถึงเวลายอมเสียเงินแม้ถ้าต้องรักษาร่างกายอนั้นต้องละละเรื่องเงินทองก่อนแล้วค่อยมาละร่างกายได้ถ้าละละละเงินทองยังไม่ได้ละร่างกายไม่ได้แอ้วต้องละของภายนอกก่อนลาบยศเสรเสริญสุดแล้วก็มาละร่างกายแล้วก็มาละกิเลสที่มีอยู่ในใจ อีกตัวนึงความอยากมันมีหลายหลายชั้นด้วยกันคำถามต่อไปจากคุณสุภาพรคำถามเจ้าค่ะคุณแม่เป็นโรคเส้นเลือดสมองตีบทำให้สมองส่วนรับรู้เสียหาย แต่แม่สามารถมองเห็นได้แต่ไม่รู้ว่ายมสื่อสารอะไรอยากจะถามว่าแล้วจิตของแม่เป็นอย่างไรเจ้าคะเราจะสื่อสารกับแม่ได้อย่างไรว่าให้แม่ภาวนาพุโทโธหรือให้แม่ทำใจให้สบายปกติแม่จะสวดมนต์เช้ายินทุกวันเจ้าคะ่ะก็ไม่อยากติดต่อตอนนี้มันติดต่อไม่ได้แล้วมันก็ติดต่อไม่ได้ตอนที่ติดต่อได้ก็ไม่ติดต่อกัน ตอนที่พูดคุยกันได้ก็ไม่บอกให้ปฏิบัติกันพอมาถึงเวลาที่พูดคุยกันไม่ได้แล้วจะอยากจะบอกพูดคุยมันก็ทําอะไรไม่ได้ต้องดูความจริงความอยากของเรามันอยากไปผึ่ขาดกับความจริงขาดกับความจริงแล้วมันก็ทําไม่ได้เราจะทําให้เราทุกข์ใจไปกว่าเป่านั้นดูที่ความจริงแต่ตอนนี้เราคุยกันได้คุยกันบอกกันรีบมาปฏิบัติกันนะ เดี๋ยวแกเจ็บตายแล้วมันจะไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งน ะ, ะคำถามต่อไปจากยู t u b เจ้าค่ ะ, ะพระอาจารย์คะแม่น้อยใจที่หนูรู้สึกขอบคุณเพื่อนที่เพื่อนเป็นกัญยาณมิตรที่ดีแม่ถามว่าแล้วแม่ล่ะไม่ได้อยากทวงบุญคุณนะหนูก็เลยบอกแม่ไปว่าคนละส่วนกันแม่คือผู้มีพระคุณหนูเสียใจค่ะที่แม่คิดแบบนี้ ถ้าเราปากไม่ดีเองนั่นต้องไปบอกต่อหน้าแม่เขาด้วยต่อหน้าแม่เราก็ต้องบอกหนูนักแม่หนูอะไรแม่ไปสิถึงแม้บางทีความรู้สึกอาจจะไม่มีเพราะว่าแม่จูจีจ้จุกจิกว่าเราลืมบ่อยๆแต่เราต้องนึกถึงบุญคุณของท่านท่านเลี้ยงดูเรามาท่านให้กำเนิดเรามาท่านก็ยังเป็นคนมีกิเลสอยู่ท่านก็บางทีท่านก็อาจจะพูดมากเกินไปบ่นมากเกินไป เราก็ต้องรู้จักให้อภัยกันอย่าไปถือ้อยกอดเคืองมองมองส่วนที่ดีของแม่บุญคุณของแม่นี่ล้นฟ้าโทษใช้เท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดเพื่อนฝูงนี่บุญคุณมีนิดเดียวไปหลงกับเขาวันดีคนดีเขาก็าถีบเราส่งถ้าเกิดเขาไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรจากเราแล้วเขาก็จะตัดตัดตัดเราได้อย่างง่ายได้แต่แม่เรานี่รักเราไปจนวันตายไม่มีวันที่จะตัดเราขาด เราต้องใช้ปัญญาใช้เหตุผลมันถึงจะเห็นพักุณของพ่อแม่ถ้าเราใช้อารมณ์เราก็จะเห็นว่าเพื่อนฝูงนี้มีบุญคุณกว่าพ่อแม่เพราะเพื่อนฝูงเอาใจเราอยากจะกินเล่าก็หาเหล้ามาให้กินอยากจะเที่ยวก็พาไปเที่ยวอย่างนี้มันเป็นเรื่องของกิเลสปัญหาความอยากเราฉะนั้นเราต้องใช้ปัญญาบ้างใช้เหตุผลใช้ความจริงดู แลาจะพูดอะไรก่อกับใครก็ต้องระมัดระวังความรู้สึกของคนที่ฟังด้วยว่าใบกระทบกระเทือนเขาหรือไ ม, ม่ถ้าไม่ควรพูดก็อย่าพูดหรือบางทีก็อาจจะพูดก็ชดประชันก็ได้มั้งเพราะไปทําให้แม่เขาเสียใจอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องระมัดระวังกับบุปการีกับพ่อกับแม่นี่เราต้องถือว่าเป็นเหมือนพออระอรหันต์ของเราแต่เราอยู่อยู่ต่อหน้าท่านเราต้องแสดงความทรมบรความ ความยำเกรงไม่ควรที่จ ะ, สะแสดงตอนเองเป็นเป็นเหมือนเป็นเหมือนเพื่อนกันอะไรไม่ใช่เพราะแม่ไม่ใช่เพื่อนเรานะเพราะแม่ท่านเป็นผู้ที่มีพระคุณกับเราเราต้องให้ความเคารพยกย่องทานเทิดทูนท่านคำถามต่อไปจากคุณวัสนา้นมกาศขอกาศเรียนถามสองข้อครับข้อที่หนึ่งพระธรรมเรียนง่ายรู้ง่ายปฏิบัติง่าย ปฏิบัติให้ตลอดลอดฝั่งถึงฝั่งนั้นยากยิ่งกระผมเข้าใจอย่างนี้พอจะถูกทางไหมครับมันยากแต่ก็มันก็ไม่สุดวิสัยของมนุษย์ที่เราจะทําได้มีพระพุทธเจ้ามีพระอาหารต้องเยอะแยะที่ท่านทําได้ท่านก่อนที่ท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าพระอาหารนั่นก็เป็นบุตุชนธรรมดาเหมือนพวกเรานี่แหละแต่ท่านมีความมุ่งมั่นท่านมีความเพียรทยายามท่านก็เลยไปถึงฝั่งได้ คถามข้อที่สองในโลกนี้มีสิ่งใดย่อมทุกเพราะสิ่งนั้นสุขในโลกนี้ไม่มีอยู่จริงมีเพียงแต่ทุกเกิดขึ้นทุกดับไปจุดหมายของการปฏิบัติคือความสงบกระผมเข้าใจพอจะถูกทางไหมครับถูกแล้วแหละในโลกนี้มีแต่ความทุก คำถามจากคุณเรื่องเดชผมดูลมแล้วกลางคืนนอนไม่หลับหลับน้อยประมาณ 3-4 ชั่วโมงจะแก้ไขยังไงดีครับจะเป็นผลกับร่างกายไหมครับถ้ามันนอนไม่หลับก็ไม่ต้องนอนดิก็เมื่อคนมานั่งสมาธิเดินโยมกรมแทนนักปฏิบัตินี้บางคนก็ไม่นอนทั้งคืนเลยก็อยากยะเาวเวลาให้กับการปฏิบัติเขากลับไม่ชอบความง่วงนอนความง่วงนอนนี้เป็นเหมือนกับเป็นอุปสรรคของการปฏิบัติ งั้นเราต้องถือว่าเราโชคดีเรามีบุญที่เรานอนไม่หลับเวลานอนไม่หลับก็ลุกขึ้นมาเดินจงกรมนั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมไปอย่าไปอยากหลับยิ่งอยากมันยิ่งทุกข์ความทุกข์มันเกิดจากความอยากจะหลับแล้วมันไม่หลับมันไม่หลับก็อย่าไปนอนเดี๋ยวรา่างกายมันขาดขาดนอ น, นมากมากเดี๋ยวมันก็หลับเองถึงเวลามันก็จะหลับเอง จ, จากพระแม่เจ้าค่ะพระอาจารย์ครับ ผมอยากขอขมาครับพอดีตอนกำลังศึกษาทำอยู่ตอนนั้นจิตกำลังพลาดและความคิดก็เป็นเสียงไปปราณีตพระอาจารย์สุชาติครับรู้สึกผิดมากอยากรู้ว่าสิ่งนี้จะนำไปสู่อบายหรือปิ ก, การันบรรลุธรรมไหมครับ อ, อ๋อไม่หรอกว่าถ้าเราไม่ไปทำบาปมันก็ไม่ไปอบายอาการบาปรมากก็คือการปิดโอกาสที่เราจะได้ศึกษาจากคนนั้นเท่านั้นเอง เราก็จะเมื่อเราไม่มีศรัทธาความเชื่อในคนนั้นเราก็จะไม่ไปศึกษาจากคนนั้นถ้าก็มีความรู้หรือมีอะไรของดีเราก็จะไม่ได้จากเขาไปคนถามต่อไปจากผู้ไม่รู้พระยืมเงินแล้วไม่คืนมีหลักฐานการโอนทุกอย่างเข้าขายผิดไหมครับแล้วผิดร้ายแรงไหมครับขอาการถามหลวงพ่อครับก็ความจริงพระนี้ไม่มีหน้าที่ไปยืนะพระ ไม่ให้ขอพระเจ้าสอนพระไม่ให้ขอจากคนที่เขาไม่ไม่ปาวนาตัวหรือเป็นญาติการไปแต่ขอยืมแล้วไม่ใช้ก็เท่าเราเป็นการลักทรัพย์ก็ไปแจ้งเจ้าอาวาสเขาเสียว่าพระขอยืมเงินแล้วไม่ใช่ให้เจ้าอาวาสเขาเป็นคนตัดสินว่าผิดอย่างไรคําถามต่อไปจากคุณนักกรีฑ บิดานำมุตรของเราไปเลี้ยงแต่บิดาให้เข้าโรงเรียนมหนึ่งเทอมละสามหมื่นเราไม่เห็นด้วยเพราะใช้จ่ายเกินตัวบิดาให้เราออกทั้งหมดเราหาได้ครึ่งเดียวบิดาโกรธไม่พอใจและมีทุกข์เราจะบาปไหมครับเทอมต่อไปจะทำอย่างไรครับก็เ ร, เราต้องใช้ตามกำลังของเราถ้าเราไม่มีก็เราก็ไม่มีไม่เห็นบาปตรงไหน ควจนไม่เป็นของไ ม, ไ, มไม่เป็นบาปเนีย่ยงั้นถ้าเราไม่มีกําลังที่จะจ่ายค่าเทอมแล้วก็ไม่จ่ายเท่านั้นเองย้ายโรงเรียนส่วนคนที่อยากจะให้เขาไปเรียนก็ถ้าอยากจะให้ก็เรียนก็จ่ายสิใช่ไหมยังยังไม่มีคําถามเข้ามาเจ้าค่ะโอเคถ้าไม่มีอามาแล้วลุกขึ้นมาแล้วอยากจะถามอะไรเข้ามา รู้ใจกายมันก็พ้นเหมือน เ, เรียนามครั บ, ร บ, รบเรียนถามเรียนถามพระอาจารย์ครับพอดีผมมีปัญหาก็คือว่า ผมภาวนาพุโทโธพุโทโธนะครับแต่ว่ า, าสังขารมันชอบนไปคิดปรุงแต่งตอนนี้มันจะเป็นเรื่องของเสีองเสียงนะครับเสียงใครทำอะไรดังนิดหน่อยผมก็รู้สึกว่ากวนกวายทุรนทุลายมันเหมือนกับจิตมันเสื่อมที่มันเหมือนกับเหมือนตกนรกตายทั้งเป็นนะครับผมผมยก ผมไม่ได้ยกตัวอย่างหรือเปรียบเทียบกับหลวงตามหาบัวที่ผมฟังนะครับที่จิตทันเสื่อมะครับผมมันจะทุกข์แบบนั้นนะครับผมแล้วมันก็จะทําให้จิตเนี่ยก็คืออ่าดึงขึ้นไม่ได้เลยแต่ผมก็ใช้พุทโธพุทโธอยู่นะครับมันก็ไม่ขึ้นแต่ในกรณีที่พุทโธไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆจิตมันก็จะขึ้นมาในกรณีที่ว่า อมันจะอยู่แบบกลางๆมันจะไม่ทุกข์แล้วมันก็จะไม่สุขแต่บางครั้งเนี่ยคือมันก็จะแบบโล่งไปเลยนะครับไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ว่าก็คือเป็นในช่วงระยะเวลาที่ไม่นานนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจิตเป็นเพราะอะไรและสามารถจะคายยังไงได้บ้างครับผมกินเลสมันคอยคอยผลักดันจิตให้เราคิดอยู่เรื่อยๆเราก็ต้องใช้สติคือพุโทโธไปทําไปจนกระทั่งมันรู้สึกโล่งก็ค่อยหยุด ถ้ามันเริ่มไม่โล่งก็ทำใหม่ต่อต้องสู้กันไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับผมแต่ถ้าสมมติในกรณีที่เราทำแล้วเรายิ่งปฏิบัติกิเลสก็ยิ่งมากขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมครับไม่มากหรอกถ้าเราไม่มันมันกิเลสมันมีเท่านั้นแ่ะอยู่ที่เราจะทำตามมันหรือไม่ ถ้าทำตามมันก็จะทำให้กิเลสมากขึ้นครับผมแต่มันไม่ให้ทำตามมันเดี๋ยวกิเลสมันก็จะน้อยลงครับผมแต่ผมพยายามปล่อยวางปล่อยวางจะปล่อยยังไงก็ไม่ได้ไอ้เรื่องเสียงดังําคานมันก็จะพยายามดึงเข้ามาใช่พูดโทปล่อยพุทโธปล่อยปลอยใช้พูทโธปล่อยผมมันก็เกิดเหมือนกับการสะดุ้งหวาดกลัวผวาไปเลยอะพวกนี้ครับผมก็เป็นบางครั้งบางคราวก็เป็นเวลาให้มีสติอยู่กับพูทโธไปพุทโธอย่าหยุดพุทโธ จนว่าจิตจะว่างใจโล่งใจยเย็นแล้วก็หยุดพุทโธครับผมต้ อ, องใช้พุทโธเหมือนกินยาถ้ายังมีไข่ยอยู่ก็ต้องกินยาไปเรื่อยๆแต่บางครั้งก็คือพุทโธอยู่อาจจะไม่ได้ทั้งวันแต่ว่าถ้ามีสติก็พุทโธพุทโธแต่ว่าถ้ามันเผลอเมื่มอไหร่มันก็ทําให้เราจิตออกไปข้างนอกแล้วมันก็จะทําให้รู้สึกว่ามันเป็นทุกข์ด้วยใช่ไหมครับผมใช่ถ้ามันถ้ามันไปเราก็ต้องดึงมันกลับด้วยพุทโธพอมันอยู่ข้างในเราก็หยุดพุทโธได้ครับผม มันเหมือนกินยาถ้าเป็นไข้ก็ต้องกินยาครับพอไข้หมดแล้วก็หยุดยาได้ครับผมแล้วพอมีไข้ขึ้นมาใหม่เราก็ต้องกินใหม่ครับถ้าใจเราฟุง้งเราก็ต้องพุทธโทรไปจนกว่ามันจะนิ่งจะว่างมแล้วถ้ามันเริ่มฟุ้งใหม่เราก็พุทโธใหม่ครับต้องทอํานี้ไปนักปฏิบัติจนกว่ากําลังสติจะมากขึ้นสามารถควบคุมความฟุ้งได้อย่างต่อเนื่องแล้วต่บไปความฟุ้งความอะไรต่างๆมันก็จะหายไปที่จิต จริง ท, ที่มันเสื่อมลงแล้วมันลงไปถึงจิตเลยนะที่มันรุนแรงมากจนจนดึงไม่ขึ้นเลยนะอันนี้คือกิเลสมันรุนแรงใช่ไหมครับเพราะกิเลสเพราะธรรมะเราคือสติเราอ่อนด้วยครับเบรกเราเราไม่เหยียบเบรกรถมันก็วิ่งเร็วขึ้นครับผ ม, บผมกิเลสมันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าที่มันน่อนลงก็เพราะเรามีพุโทโธคอยคอยกำลาบมันพอเราเผลอเราไม่ใช้พุโทโธมันก็เริ่มกลับขึ้นมาใหม่ครับผมก็ต้องกลับไปหาพุโทโธใหม่ ครับผมพยายามทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับผมเป็นกว่าเราจะสามารถควบคุมหยุดความอยากได้หยุดความโลภได้ครั บ, รบพอมันโทลขึ้นมาก็ใช้พุโทโธพุโทโธกลับเข้าไปใหม่ครับผมลองทำอาอธีบไปเรื่อยๆก่อนครับผมจะน้องปฏสิบบาทครับผมมีคำถามจากทางเฟ e บุ o กเจ้าค่ะ เรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะปฏิบัติธรรมถือศีลแปดที่บ้านแต่ถ้าคนในบ้านเปิดเพลงจะเป็นอย่างเป็นใดไหมเจ้าค่ะมันก็อยู่ที่ใจเราไปไปยินดีกับมันหรือเปล่าถ้าเป็นยินดีกับมันมันก็จะทําให้ใจเราข้างคล้ายไปกับมั น, มนเพลิดเพลินไปกับมันก็จะทําให้เวลาเจริญสตินั่งสมาธินี่ยากเพราะใจมันก็จะไปคิดถึงเพลงที่เราได้ยิน เย่นทางที่ดีไปปฏิบัติที่ไม่มีรูปเสียงก่นลดมาคอยยั่วยวนกลนใจเราจะดีกว่าต้องปีกวิเวกหาที่สงบห่างไกยจากรูปเสียงกินลดต่างๆอย่าถ้าทําไม่ได้ก็ต้องทนเอาไปทนเอาไปใช้พุทโธพุทโธเงาหรือหาจะมาปิดหูก็ได้เอาที่เราใช้เป็นหูฟังนี้มามาเสียบปิดหูไว้แต่อย่าไปเปิดเครื่องเปิดรับเสียง พอปิดไว้สำหกันการแม่เสียงเข้าทางหูเราแล้วลมันก็จะไม่ค่อยมันจะได้ลดเสียงลงมันจะได้ไม่มารบกวนใจเรา มีคำถามจากคุณศิีมาเจ้าค่ะกราบเรียนถามหลวงพ่อรู้มีความอึดอัดในการภาวนาพุทโธนานสักครั้งถึงจะไม่อึดอัดหลวงพ่อเมตตาบอกอุบายในการภาวนาให้ด้วยเจ้าค่ะก็ต้องขยันพุทโธก่อนมานั่งภาวนาพุทโธตั้งแต่ตื่นมาเลยแล้วมันจะมันจะลดความคิดได้ได้มากพอมานั่งแล้วมันจะไม่รู้สึกอึดอัดที่อึดอัดเพราะใจมันคิดมันอยากจะไปทํานู่นทํานี่ พอมันนั่งนั่งนั่งอยู่เฉยๆมันก็เลยเกิดอาการตึงเครียดขึ้นมาคำถามต่อไปจากคุณไพโร่เจ้าค่ะเรียนถามพระอาจารย์ขอรับระหว่างถือสินแปดหลังเที่ยงทานมาเมล็ดแตงโมโดได้ไหมครับอันนี้เราก็ไม่รู้นะเราไม่เคยกินครับตอบไม่ได้อย่าไปกินมันไม่ได้เลยถ้าสงสัยอะไรก็อย่าไปกินมันถ้าไม่มั่นใจว่าถูกก็ไม่ก็ไม่ต้องกินมันไม่ตายหรอก กินก็บางทีมันต้องมีเหตุผลกินเพื่ออะไรถ้ากินเพื่อรักษาร่างกายก็ถามหมอดูถามพระว่าเป็นยาหรือเปล่าถ้าเป็นยาก็กินได้ถ้าไม่เป็นยาก็กินไม่ได้คำถามต่อไปจากคุณกมลวันเจ้าค่ะนั่งสบายที่ทุกเช้ากําหนดพุธโธได้สักพักก็จะไปคิดเรื่องงานพอรู้ตัวมา ก็พุทโธต่อเป็นอย่างนี้ทุกครั้งทําอย่างไรจะให้พันเก้าวหน้าไม่ไปคิดเรื่องงานเจ้าขาก็พูดโธไปเรื่อยๆอยู่เนี่ดเลยเลกจากนั่งสมาธิก็พุทโธต่อไปก่อนจะมานั่งสมาธิก็ต้องพุทโธไว้ก่อนนะต้องสร้างกําลังของพุทโธให้มากขึ้นไปเรื่อยๆด้วยการพุทโธไปทั้งวันทั้งวันทั้งคืนถ้าทําได้แล้วพุทโธจะมีกําลังมากขึ้นมีคําถามจากทางยูทูบเจ้าค่ะ พระองค์หนึ่งมักโทรมาขอไร้อะไรบุญขอให้ช่วยทำบุญนั่นนี่อ้างว่าทำแล้วได้บุญนั่นนี่เราควรให้หรือสนับสนุนพระองค์นี้ไหมครับเราจะวางใจอย่างไรดีครับจะไม่ให้ก็กลัวเป็นทุกข์ใจว่าพระชวนทำบุญแล้วไม่ทำครับก็เราภาวนาตัวกับพระหรือเปล่าถ้าเราไม่ภาวนาตัวเราก็ไม่ต้องให้เขาก็ได้ เพรา ะ, ะพุทธเจ้าห้ามไม่ให้พระมามาขอเงินขอทองจากผู้ที่ไม่ได้ป่าวางนาตัวงันเราก็ไม่ให้ก็ได้แต่ถ้าเราอยากจะทําบุญก็ให้ก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่เราหรือถ้าเราไม่อยากจะให้พระรูปนี้เราไปให้พระรูปอื่นหรือ ว, ว, วัดอื่นก็ได้แล้วแต่เราบัณฑิตของเราคำถามหมดแล้วเจ้าค่ะหมดแล้วก็เวลาก็พอสมควรขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟัง